วันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันวิสาขบูชาเกี่ยวกับองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประกาศศาสนาพุทธศาสนานี้ถึงสามการคือประสูตรตัสรู้ปิเตนพานในวันเย็นหกเพนเดือนวิสาขาภาษาของแขกภาษาของ อินเดียเเรียกเดือนนี้เป็นเดือนวิษาขะพระพุทธเจ้าของเราแปลจากมนุษย์ธรรมดาเกิดแตดสรู้ปริิานในวันเดียวกันจึงเป็นวันอัศจรรย์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในปีหนึ่งหนึ่งการที่จะมีวิษาขาบูชานี้ก็มีเพียงวันเดียวเท่านี้ ทางราชการประหยุดงานให้พระชือ้อไหวมนุษย์ชาวโลกผู้นับถือศาสนาไปไปวัดไปวาไปสักการะบูช า, า พ, พระพุทธธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าของเรานั้นผู <c oughs> ้ที่เคยศึกษาตำรับตำลา <c oughs> ก็จะทราบประวัติของท่านดีว่าฉันเป็นอย่างไร ผูจที่ไม่เคยศึกษาทางตำรับตำลาก็อาศัยการได้ยินได้ฟังจากวันสำคัญอย่างนี้ไปคิดนึกติดตามแล้วปรับปรุงกายจิตของตัวให้ละชั่วบาเพ็ญดีตามที่ท่านทรมาและท่านแนะนำพระผู้ใช้เจ้าของเรานั้นท่านเกิด็นชาติกษัตริย์เป็นลูกกษัตริย์เป็นชาติอริยกะ ชาวอินเดียพอเกิดมาอุบัติมาท่านก็ได้รับการทะนุถ น, นอมทุกสิ่งทุกอย่างปวดถึงทางลทธิเดชทางอัศจรรย์ท่านก็พูดด้วยมากอย่างของพระุทธเจ้าแต่ความจริงแล้วการเกิดของท่านท่านเกิดเป็นกษัตริย์ปกติมนุษย์ที่มีจิเลตหนาะปัญญาหยาบอย่างพวกเรา ถึงแม้จะเป็นกษัตริย <c oughs> ์อย่างท่านก็ตามก็ไม่ยอมจะหนีจากครอบครัวไม่ยอมจะหนีจากสมบัติของตัวแม่นมีนิดหน่อยเล็กน้อยก็ยังหึงยังห่วงยังห่วงยังอาลัยนี่พระพุทธเจ้าที่สถาปุมาณนั้นพอเติบโตขึนมาแต่งงานกับขนางพิมพาถึงเป็นกษัตริย์ด้วยกัน แล้วก็มีบริษัทบริวาร น, นานแน่นดูเหมือนในตำรับตำลากล่าวไว้ว่ามีนักสนมเป็นหกหมื่นคนมีปราสาทที่อยู่สามหลังตามฤดูการคือฤดูหนาวฤดูฝนฤดูร้อนทานสุขสบายมากพูดถึงความเป็นอยู่ของท่าน แต่ถึงอย่างนั้นด้วยอำนาจของบุญกุศลโดนบันดาลจิตใจของท่านทำให้เบื่อหน่ายในราชสมบัติด้วยการเห็นสิ่งที่พวกเราท่านเคยเห็นกันแต่พวกเราท่านไม่เคยนำไปน้อมนึกตึกต้องเพื่อจะแก้ไขจิตใจของตัวชั่วเสียให้หมดไปแต่ท่านเห็นแล้วน้อมนำมาีินิจพิจารนา เพื่อจะแก้ไขจิตใจพบชาติที่ติดข้องอยู่คือท่านเห็นเทวทูตเทวทูตเป็นภาษาของบาลีถ้าเป็นภาษาไทยก็ผู้บอกอย่างเทว ด, ดาผู้บอกอย่างเทว ด, ดาในสมัยนั้นกับสมัยนี้มีหรือไม่ถ้าหากเรามาพิพจรารณาตามเรื่องเหล่านั้นทุกวันนี้ก็มีถมเถะนั่งอยู่นี้ก็มีกัน ไม่ใช่ว่ามีตังแจกพระพุทธเจ้าท่านได้ <c oughs> ถอดพระเนตรเท่านั้นพวกเราเห็นกันตามตาอยู่ทุกวันแต่ไม่ได้คิดกันเรื่องเทวทูตอะไรเป็นเทวทูตเห็น <c oughs> คนแก่เป็นเทวทูตที่หนึ่งเห็นคนเจ็บเทวทูตที่สองเห็นคนตายเทวทูตที่สามเห็นสมณนะเทวทูตที่สี่นี่เทวทูต จิตศีรษะกุมารท่านไปพบเห็นความจริงการเห็นธรรมดาจะเกิดสติปัญญาเหนื่อยหน่ายในเรื่องของการเสืดตายนั้นมันเป็นไปไม่ได้จะต้องน้อมนามาที่นิพิจรณานาเรื่องเทวทูตให้เข้ามาถึงตัวของตัวที่ท่านเห็นคนแก่นั้นท่านก็ย้อนคิดกลับหลังไปคนนี้ตั้งแต่เขายังเด็กยังเล็ก เขาก็ไม่เป็นอย่างนี้เขายังหนุ่มยังสาวก็น่าตาสวยสดงดงามดีเนื้อหนังเปล่งปั่งจะไปไหนมาไหนว่องไวคล่องแขวแต่เมื่อแก่มาแล้วไม่เป็นอย่างนั้นเนื้อหนังหดหูย่อนยานหลังค่อมลำบากลุกอือหนังอือไปมาที่ไหนไม่คล่อง ตัวเหมือนก่อนเดี๋วเราเล่เาจะเป็นอย่างเขาหรือไม่ถ้าหากเราไม่ตายไปก่อนทุกคนไปจะเป็นอย่างนั้นโลกอันนี้มันมีมาแบบนี้เหมื่อมีเกิดมีแ่มันก็เป็นทุกข์ท่านพินิจพิจารณาหาทางสอนจิตของท่านไม่ให้หลงไหลไฝ่ฝันติดของในอามิต ท่านจิงสลดจิตไม่เพลิดเพลินในการารมณ์ต่างๆนี่เสวะทูต ท, ทีหนึ่งที่ท่านเสด็จประพาสพระราชอุทยานพอเห็นแล้วไม่ได้ไปถึงพระราชอุทยานคือไม่ได้ไปถึงสวนจะไปชมสวนวันนั้นก็ไปเห็นเศ่าก็เลยเกิดสลดใจตามตำราเก่าไว้ว่าพระสุดทันะซึ่งเป็นพระราชบิดาของท่านนั้นไต้โหนมาทำนาย ลูกชายของตัวคือศิษฐากุมาร <c oughs> ว่าคนคนนี้จะมีคติเป็นสองถ้าอยู่ในคาลาวาดจะเป็นพระเจ้าจกักรพรรดิเป็นใหญ่กว่าใครข้างหมด <c oughs> ในโลกอันนี้ไม่มีใครที่จะเทียมถึงผูดถึงยศศัพ์อำนาจาา <c oughs> วาสนากว้างขวางมากเป็นกษัตริย์ของโลก <c oughs> เป็นผู้ใหญ่ในโลกเม <c oughs> ืองต่างๆประเทศต่างๆจะมาขึ้น ในเมืองของท่านหมดถ้าเป็นคารวะมาอย่างนั้นจะเสด็จทินเนศสกมคือออกบวชถ้าออกบวชก็จะเป็นพระสัพพัญยูคือตัดสรู้เองจะเป็นพระพุทธเจ้าโหนหลวงทํานายทายทักไว้อย่างนั้นเลยไปทับใจของท่านสุดโทธนะการเป็นพระจะดีพิเศษขนาดไหนพระเจ้าสุดโทธนะไม่สนพระไทย สนพระไทยอยากจะให้ลูกชายของตัวเป็นจั ก, กรพรรดิจึงสร้างกำแพงกำบังเอาไว้ไม่ให้คนแก่คนเจ็บเข้าไปในที่นั้นให้ต่างแจคนหนุ่มคนสาวเฝ้าดูแลรักษาปกติรักษาอยู่อย่างนั้นและสนมของท่านที่คัดเลือกจากตระกูลต่างๆ ผลวนแต่คนที่มีกิริยามลรายาตมีรูปหลางสวยสดงดงามเข้าไปเป็นสนมนาน่อยู่ในนั้นอะ่ะอยู่ในกลุ่มของสศตษไม่เอยมีบุรุษไปเกี่ยวข้องพูดถึงความลหลงไหลไฝฝันตัณหาของมนุษย์ธรรมดา <Okay. S 1> ถ้ามีอย่างนั้น <Okay. S 1> พวกเราท่านจะคิดไหม <Okay. S 1> จะคิดในทางที่จะ เบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ของตัวคงไม่คิดกันไม่ว่าไทรทั้งนั้นจะหลงไหลไฟฝันเกิดเพิญอยู่เรื่อยไปนี่ท่านคิดได้ยางเห็นคนแเท่านั้นก็น้อม <c oughs> นำมาี่นิตพิจราญนาเพื่อสอนพระไทยของพระองค์ให้เกิดความสลดสังเวชกับขราชสาวังวันหลังไปอีกได้พบคนตาคนเจ็บคนเจ็บนั้น มันไม่มีความสุขความสบายให้จะมีอะไรมากมายขนาดไหนก็ช่วยเหลือความเจ็บไม่ได้เผื่อนฝุงบริวารจะมากมายถ้าเจ็บลงไปแล้วแบ่งปันกันไม่ได้เหมือนวัตถุภายนอกพอที่จะหยิบยกให้คนนั้นนิดคนนี้หน่อยจะได้เบาออกไปไม่เป็นอย่างนั้นใครเจ็บกว่าคนนั้นทนทุกข์ทนยากทนลําบากลาคาญทันไปเห็นเข้า ก็สลดพระไทยอีกเหมือนกันเมื่อเราเก็บก็คงจะไม่ผิดแปลกแตกต่างกันกัน <c oughs> อะไรกับคนนี้จะมีคติอย่างเดียวกันกับเขาเราจะเพลิดเพลินโล่งไหลอะไรอยู่ในชีวิตของกษัตริย์ของคาราวาคิดสลดทั้งเวทแต่ก็ไม่เห็นทางที่จะออกไปได้แต่คํานึงอยู่ในจิตในใจไม่เพลิดเพลินฝ่ายฝันไปในกามารมณ์ต่างๆ กับเขาล่าสว่างอีกวันหลังไปอีกไปอีกไปเสด็จอีกไปพบคนตายคนตายก็อย่างว่ามันเนา่าเปะไปทั้งตัวร่างกายที่เราเคยจุบเคยกอดว่ามันนิ่มมันนวลมันดิบมันดีอย่างนั้นอย่างนี้พอตายไปแล้วเน่าไปแล้วเปื่อยไปแล้วเป็นอย่างไรใครอยากแตะอยากต้องนอกจากมาแมลงวันหรือหนอนเท่านั้นมันจะชอบของเนา่าของเหม็น ท่านไปเห็นจึงสลดพระไทยไม่อยากจะไปชมอุทยานกลับมาอีกนี่นิมิตเทวทูตที่สอนจิตจิตถถากู ม, มานวันหลังเสด็จไปไปพบสมณะสมณะสมัยนั้นไม่มีสมณะนักบวชธรรมดาเหมือนทุกวันนี้มีพวกลือสีสีภยัยแต่สมณะก็ดีคนตายก็ดีคนเจ็บก็ดี ก้นแก่ก็ดีตามตำรากล่าวไว้ว่าวิสุกรรมเทวบุตรมาทำจำแรงให้ท่านเห็นให้เกิดสลดสังเวชให้เกิดความเลื่อมใสสมณะนั่งสงบกายใจของท่านเฉยมีความหยิ่มหย่มแจ่มใสมีกายมีใจน่าเคารพ บ, บูชาพอไปเห็นเขาก็เกิดสนพระทยเลยตัดถาม ฉันนาอมาตย์บอกว่าสมาณะผู้เชินไัยในวัดตาสงสารฉันเลยสนพระไทยมากลับเข้ามาไาสาราสว่างอีกเลยม่เสด็จไปถึงสวนมีเรื่องในตำรับตำลาฉันกล่าวเอาไว้พอกลับมาถึงลาชสว่างพวกสนมกำนันถั่วไฟก่อบำลุงบำเรอขับกล่อมตามหนา้าจีของเขา ดีซีจีเป่าหล่องเพลงเต็นลำกันก็มีผู้ชายคนเดียวเท่านั้นที่เขาเขาไปบํารุงบําเลแต่ท่านจิตใจเมื่อมันไม่คิดปรุงไปในเรื่องของกรมไปเห็นอะไรเข้ามันก่อไม่มีความกำหนัดไม่มีความยินดีมีแต่จิตวกคิดไปถึงความแก่ความเจ็บความตายสมณ ะ, ะอยู่เสมอไปไม่ไสนพระไทยกับ นักสนมเหล่านั้นท่านก็เลยเข้าห้องบรรทมคือเข้าห้องนอนภาษาพวกเราพวกเหล่านั้นเล่นไปเล่นมามันก็เหนื่อยอยนะู่ยไม่ทราบว่า จ, จะเล่นไปทาไมคนที่เราสนใจกับเขาเขาก็ห น, นีไปแล้วไปพักผ่อนแล้วก็เลยเลิกกันหยุดกันหลับนอนกัน ทั้ง6ก0มื่นคนคนหลับนอนอยู่ในลาสวังนั้นพระองค์ท่านก็กำหนดเรื่องความแก่ความเจ็บความตายอยู่ในจิตในใจเกิดความสลดสังเวชอยู่ในจิตในใจไม่มีความเพลิดเพลินมัวเมาเฝ้าฝันไปในกามารมณ์ระยะก่อนจะบรรทมหรือบรรทมหลับไปตื่นมาก่อไข่คิด อยู่อย่างนั้นคนที่นอนแต่วันพอดึกมากกว่าตื่นไอ้พวกนั้นมันเล่นเหนื่อเหนื่อยเหนื่อยหิวมันถึง่อยนอนก็เลยหลับสนิทกันไปหมดทุกคนนักสนมทั้งหกหมื่นคนธรรมดาคนนอนไว่ไหวหกหมื่นเราอยู่สลา น, นี้จะนอนหลับไปแล้วสติมันไม่ควบคุมตัวคนนอนบางคนก็กัดฟันบางคนก็ลืมตาบางคนก็อ้าปาก บางคนก่อนำั่งไลไหลบางคนก็ขูข่ขาเยียดขาจริงตัวไปมาต่างๆนอกจากนั้นผ้าควอนสนสบายี่เสยรักษาอาวัยวะเพศมันก็ตกออกไปหลุดออกไปตามธรรมดาเพราะคนนอนส่วนมากที่จะมีกิริยามารยาทควบคุมตัวได้ก็คือคนมีสติที่ยังไม่หลับ ถลับไปแล้วไม่รู้อะไรสิ่งขว่างไปตามเรื่องมันเป็นอย่างนั้นทันฟื้นพระองค์คือตื่นบรรทมตื่นนอนมายังตามไฟสว่างอยู่ในปราสาทเปิดถ้าม่านออกมามองดูข้างนอกมาเห็นนักสนมเหล่านั้นกำลังนอนหลับกันอยู่เดียวระดาษกาเปลียนแล้วกินยามาได้ยากกว่ายังว่า แต่เขายังไม่หลับยิ่มแย่มแจม่มใสทำท่าทีจริยาหน้าชอบน่ะดูทุกอย่างเมื่อหลับไปแล้วมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีสติควบคุมตัวข้องตัวพระองค์เห็นอย่างนั้นเลยเกิดสลดตั้งเวทในใจเรานึกว่าเราอยู่ในปราสาทหลาดสวังเป็นที่ <c oughs> รื่นรมจิตใจ ที่ไหนได้เราอยู่ในป่าชาพีดิบน่าสังเวชสลดใจท่านคิดอัดคิดทำคิดไปแบบนั้นคือไม่มีความกำหนัดไม่มีความยินดีไม่มีความเพิดเพลินในคนเหล่านั้นไม่เหมือนคนที่ไม่มีอัธรรมพอเห็นเข้าเกิดกำหนัดเกิดยินดีเกิดพอใจผู้หญิงเห็นผู้ชาย ก็เป็นไปทํานองนั้นผู้ชายเห็นผู้หญิงก็เป็นไปทํานองนั้นคนจึงเกิดกันทั่วโลกจนไม่มีแผ่นดินจะอยู่เพราะความไม่รักษาจิตใจไม่มีอาจมีทาสอนใจมันจึงเป็นไปรูปนั้นนี่พระองค์ท่านเห็นเข่าเกิดสลดตังเวทเบือหน่าในวันที่จ ะ, สะเสด็จพิเนศเสคมคิดอย่างนั้นแล้วคิดได้ในใจว่าเมื่อมีเกิดแฉ่เจ็บตายอยู่เมื่อไร สิ่งผิดตองกันข้ามคือความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคงมีแน่แต่ถ้าเราเป็นพระราชาเป็นกษัตริย์อยู่ในสถานสี่นี้คงไม่มีโอกาสเวลาที่จะพิจรารณาให้เห็นให้รู้นอกจากเราจะไปอยู่เอกเทศคนเดียวคือไปบวชเสียไม่ได้กเกาะเกี่ยวรับคิด ช, ชอบจิตการบ้านเมืองต่างๆจะ ก, กำหนดจิตที่นีพิจรารณาหาทาง ให้รู้ให้เห็นในจิตในใจให้ได้เพราะสังเวชสลดใจในความ<จ>แก่ความเจ็บความตายนี่เป็นอันมากถ้าองค์จึงตัดสินพระทยัยเสด็จไปในคืนวันนั้นทั้งที่ไม่ไปลาพระราชบิดามารดาตลอดถึงพิมพาราหุนถึงเป็นพระราชบุตรวงญาติทั่วไปไม่บอกใครสั่งเสียแต่นสันถ้าอามา ตามมากกันทกะอสศวราชมาให้สเสด็จไปกับนายฉันทะเท่านั้นมีการสเสด็จพิเนศกลมของท่านไม่ได้บอกใครไห่มีการใหญ่การโตเหมือนบวชหนากสมัยนี้วักคายตายไปกี่ตัวไม่ทราบการบวชเหล่ายาอาหารเอากันใหญ่ทำกันรู้ลา เพื่อจะให้ได้บุญได้กุศลแต่บวชมาไม่สนใจเพื่อจะแก้ไขกิเลตัญหาของตัวความชั่วความเสียมีอยู่อย่างไรก็คิดไปพูดไปทำไปอย่างนั้นนักบวชเต็มโลกแต่จิตใจก็เต็มไปด้วยจิเลตไม่เหมือนพระพุทธเจ้าหรือศีรษะกุมารออกบวชท่านม่ลาใครสั่งใครถ้าไปดีแล้วไปชอบแล้ว เรารับรองตัวของเราเองไปทำดีจะมีพรรคพวกเพื่อนฝูงกอดตามจะไปคนเดียวโดดเดี่ยวกอดตามความดีนั้นจะเป็นความดีตลอดไปถ้าไปทำชั่วใครจะรับรองให้มากหน้าร้ายตาขนาดไหนความชั่วก็จะเป็นความชั่วอยู่อย่างนั้นนี่ให้พวกเราพากันพินพจารณากันถ้าหากเราจะเอาแต่พิธีรีตองข้างนอกมาเป็นศาสนาอาจจะ พลาดไปทําให้เสียหายไปได้เราต้องที่นีพิจรารณาพระพุทธเจ้าท่านออกไปไม่ลา <c oughs> บอกลาใครทําไมท่านชิงในตัศรู้ถ้าหากเป็นการผิดพอไปทําดีแล้วเกิดความดีไม่ได้เพราะคนอื่นไม่อนุญาตให้ไม่เป็นไปอย่างนั้นไปทําดีจะต้องเป็นความดีเป็นเครื่องตอบแทนเสมอไปไม่ว่าสมัยพุทธกาลหรือสมัยปัจจุบันไปทําชั่วก็เหมือนกัน ความชั่วที่ไหนคนจะเห็นหรือไม่เห็นก็ช่างความชั่วจะเป็นความชั่วจิตตัวอยู่ตลอดกาลฉะนั้นเมื่อท่านออกเสียเนศกรมสแสวงหาการตรัสรู้เบื้องต้นก็สนใจจะไปศึกษากับคนอื่นจึงในไปหาอาราระดาบทและอุ ธ, ธากาดาบทซึ่งทั้งสองดาบทนี้ ประชาชนทั่วไปเหลื่อมใสศรัทธาว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์เขาเล่าลือกันทั่วโลกแถวนะว่าท่านเป็นผู้พิเศษท่านจึงเข้าไปศึกษาเมื่อไปศึกษาก็ด้วยพระสติปัญญาของท่านเฉียบแหลมฉลาดสามารถศึกษาได้ง่ายจนจบวิชาความรู้ของอาจารย์ทั้งสองอาจารย์ทั้งสองกรร้องขออยากจะให้เป็นครูสุ้ยแนสอน คนอื่นอีกต่อไปแต่ท่านมาวินิจฉัยความเป็นไปที่ว่าหมดจิเลตจิตใจวิเศษที่เขาถือกันสันว่าเพียงแต่ขั้นรูประชานอรูประสานเท่านั้นไม่ใช่เรื่องหมดจิเลตคือการข่มฉีจิเลตเอาไว้เหมือนหินทับหญ้านี่ตามตำหรับตำลา คนที่เคยเห็นเคยเป็นในจิตในใจโดยการภาวนาบาเพ็ญก็จะทราบจิตใจที่เข้าไปสงบระ ง, งับนั้นมันดับได้จริงเมื่อมันยังอยู่ในระยะที่สงบแต่มันถอดถอนออกมาจิีเดตัณหาหรืออารมณ์สัญญาต่างๆจะเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะจิตไม่เป็นวิมุตไม่ถึงที่สุดของการบาเพ็ญธรรม แต่ไม่มีใครแนะสอนไม่มีปัญญาสามารถที่จะทำวิมุตให้เกิดขึ้นได้เพราะพวกเหล่านั้นไม่ใช่สัพพัญยูที่จะรู้เฉพาะตัวจะต้องศึกษาจากคนอื่นเป็นสาวกคือมีคนมาแนะสอนเสียก่อนถึงจะทราบจะปฏิบัติได้นี่พระบพิชชถากุมารทราบอย่างนั้น ท่านไม่พอพระไทยเลยหนีไปทำทุกข์ ก, กับกิยาต่างๆนานาตั้งแต่วันออกจากปราสาลาดสวางไปอายุระยะนั้นท่านก็มีอายุ29ปี29พรรษาสมัยปัจจุบันคน29ปีจะเหนื่อยหน่ายในกางอารมณ์นั้นหายาก ไม่ว่าใช่ยี่สิบเก้าปีหรือสี่สิบเก้าปีหรือเก้าสิบเ้าปีมันก็ยังยินดีเสดเพลินมัวเมาอยู่นั้นยังบ้ายังบออยู่นั้นไม่มีวันที่จะเบื่อจะหนะนี่จิตของพวกเราทั้งหลายเป็นอย่างนั้นท่านจึงเป็นอัจฉริยะมนุษย์คือมนุษย์ที่น่าอาศัศจรรย์ยังอายุแค่นั้นก็ยังเบื่อยังหน่ายยังหนีไปได้จากราชสมบัติทั้งช้างสิ โลกทั่วไปเลื่อมใสศรัทธาท่านเป็นคนดีตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งเป็นกษัตริย์เสเด็จพิเนสกรมเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นคนดีเรื่อยไปไม่ใช่ว่าโลกเขาเบื่อหน่ายเขาขับไล่สส่งไม่ต้องการปรารถนาะท่านจึงหนีออกมาบำเพ็ญสมณธรรมไม่เป็นอย่างนั้นประวัติของท่านจึงเป็นประวัติที่น่าศึกษาเป็นประวัติ ที่นำมาถึงความเลื่อมใสไม่ใช่ทันชวดเสียเหมือนคนถั่วไปทันดีทันพิเศษเมื่อออกที่เน็ตตะกลมทำความผ่าความเพียนไปตามที่ทันคิดเอาไว้ไปศึกษาในสถานที่เขาเหล่าลือกันจบแล้วก็ยังไม่พอพระไทยไปทำทุกกัจิิยาไอเจ้าพวกปัญจวัคคีย์ สี่เป็นพรามเคยทํานายลักษณะของท่านตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กทราบดีว่าราชบุตรองค์นี้ต้องออกที่เนี่ยสะกรมออกบวชเนี่ยหนีออกไปบวชก่อนเป็นฤาษีคอยเฝ้าอยู่ในป่าในเขาเฝได้ยินว่าท่านสเสด็จเข้าป่าออกบวชก็สแสวงหาเลยไปเจอกันปฏิบัติอุปถาท่านเพราะความเหลื่อมใสพวกเหล่านี้ เขามีตำราดูลักษณะของคนว่าคนนั้นจะเป็นอย่างไรคนนี้จะเป็นอย่างไรเขาเป็นหมอดูใหญ่เป็นหมอดูหลวงทีนี้ไปบวชอยู่ก่อนไปอุปถาบไปทมท่านก่อนทาความเพียรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยของท่านทำกันจนสลบสลาไม่ใช่ธรรมดาอดอาหารอดนอนทำไปทุกอย่าง จนร่างกายถ่ายผอมอย่างที่ท่านเขาเขียนไอ้รูปทำทุกการจิตญาเข็นเข้าก็อือไม่ใช่ธรรมดาเหลือเจ้หนังหุ่มกระดูกเงื่อหนังไม่มีเลยก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะท่านทําจริงทําจังจนสลบสลายไม่ใช่ธรรมดาเหมือนมนุษย์พวกเราอดข่าวอดนอนทุกจริงทุกอย่างเพื่อจะตัดสรู้ระยะที่ทํานั้น ท่านเข้าใจว่าการทรมานกายการทำแบบนี้จะทำให้เกิดสติปัญญา mm. เกิดวิชาวิมุตติท่านจึงทำไปเพราะไม่มีใครมาแนะสอนว่าทำแบบนี้มันผิดไม่ใช่ทางทิ่แะ่ตัสรู้ไม่มีใครเคยมาแนะสอนท่านท่านก็ทำไปสงสัยอะไรก็ทำไปถ้าหากท่านไม่บากบั่นพยายามขนาดนั้นคนอื่นก็จะโกหกพกล้มได้ วลการทำแบบนี้เป็นทางาการสรุก็จะเชื่อเขาไปนี่ท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างจนสลบสลายจนลอดตายแล้วก็เลยได้ความมาาพินเสีองดีดถ้าหากตึงเกินไปดีดมันก็ค่ะถ้าหากย่อนเกินไปดีดมันก็ไม่ดังถ้าหากฟาต่างๆนี้ดีดดัง เสียงเพาะนี่ท่านไหมถึงความเพียรของจิตของใจต่อทำนองนั้นแต่ตามตำรับตำรากว่าพระอินทร์นำเพีนมาดิดให้ท่านดูท่านจึงหยุดการทำความเพียรหยุดการทรมานายพวกนั้นก็เบื่อหน่ายว่าทัศน์ทากมานทายความเพียรเวียนมาเสือความมากมาก ไม่อยากอุปถากวะทรบนี้ไปแต่วันนั้นท่านส้าใจในพระทยอย่างนั้นจริงจังแล้วท่านก็สเสวยอาหารร่างกายก็มีกำลังพอสมควรจนมาถึงวันวิาสาขาบูชาตอนเช้ามีเศรษฐีคนหนึ่งคือสุสานานำข้าวมัทธุ ป้าญาิก่อนไปบวงสวงเทวดาไปเห็นท่านนั่งอยู่ในป่ารูปร่างกายของพระเจ้าเป็นรูปร่างกายที่สวยงามนะไม่ใช่จีเลืองสเหลเหมือนพวกเราจนเขาเหล่านั้นเห็นท่านว่าเป็นเทวดาไม่ถือว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาเลยเอาถาวตุปปญายาไปถวายท่านให้ทั้งถาดด้วย ท่านการับเข้ามาถูไปยากแลวงทรงเสวยนำถาดไปเสี่ยงทายดูว่าเราจะได้ตัตสรู้หรือไม่นี่เป็นประเพณีของพระพุทธทเจ้าตามตำนานที่ท่านกล่าวเอาไว้แต่ถึงอย่างไรก็ตามเรื่องพระพุทธทเจ้าดีวิเศษนั้นก็เป็นเรื่องของท่านท่านปารินี้พ่านไปแล้วก็เป็นเรื่องของท่านพวกเราที่ยังมีชีวิตลุ่มหลง โง่เง่าเตาตุนอยู่นี้เราจะมีคติอะไรที่จะมาสอนใจของตัวให้ละชั่วบําเพ็ญดีถึงที่สุดวิมุตินิพานอย่างท่านข้อนี้เป็นเรื่องสําคัญถ้าหากเราไปศึกษาแต่ตาหรับตําราของท่านแต่ตัวของเราเองไม่ตั้งมัน่นไม่ทำจริงเราก็ไม่มีทางที่จะดีจะวิเศษได้เราจะทําอย่างไรกิเลสปัญหาภายในใจของเรา จึงจะหลุดจะล่นออกไปจึงจะมีใจบริสุทธิ์เป็นมิมุติอย่างท่านนี่เป็นปัญหาสำคัญที่พวกเราท่านจะนำมาสอนใจของตัวการเกิดแย่เจ็บตายนี้มันมีมาแต่ไหนแต่ไรพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นในโลกมันก็มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าบริญิพานไปในปัจจุบันพวกเราก็ยังเห็นกันอยู่ ทางหน้าเราตายไปแล้วมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้โลกอันนี้ความสุขกับความทุกข์อะไรมันมากกว่ากันชีวิตอันนี้มันเป็นอย่างไรเกิดมามีความสมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างไหมให้พินิจพิจารณาไห้แก้ไขากายใจของตัวที่มันชั่วมันติดมันคิดมันปรุงไปในทาง เสียหายเพื่อจะอบรมจิตใจของตัวให้ละชั่วบำเพ็ญดีให้จิตเข้าถึงลีมุดที่สุดของป๊อปชาต น, นี่เป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราท่านจะควรศึกษากันควรทำกันพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นั้นพระองค์กำหนดลมเป็นเบื้องต้นเพื่อลมหายใจเข้าออก ลมหายใจเขาออกคนยังไม่ตายไม่ว่าหญิงว่าชายว่านักบวชหรือคาราะมันมีไหมเราเมื่ อ, อไรเราจะกำหนดเพื่อจิตเพื่อใจของเราจะสงบนิ่งให้ีินิ้พิจรารณาถอนจิตของตัวปล่อยไปไหลไปแก่ไปตายไปได้อะไรล่ะไม่เห็นใครหาบหามหอบหิวอะไรไป ยศถาบรรดาสากักด์เขาขอ้อเงินทองญาติพี่น้องผัวเมียมันก็แค่นั้นแหละสักถั่วไฟมันก็มีได้ไม่ว่าสั์น้ำสัดบกมันเป็นกันได้เพลิดเพลินในกามารมลลุ่มหลงในเรื่องเหล่านี้มันไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกับสัตฉะนั้นคนที่ลุ่มหลงไปมากเท่าไรก็ทำความทุกข์ยาก ในจิตในใจไปมากเขานั้นแต่เขานั้นไม่ได้มองความทุกข์ยากของตัวไม่ได้คิดแต่มันชั่วมันเสียก็เลยหลุมหลงเลื่อยมาถ้าหากที่เรณาเสื่อการละการตัดการถอดการถอนข้องใจมันก็มีโอกาสเวลาที่จะเบาบางไปได้มีโอกาสเวลาที่จะหายขาดจากความคิดปรุงนั้นนั้นนี่พวกเราท่านควรมา ดูจิตใจของเราแก้ไขตัวของเราพระพุทธเจ้าท่านแก้ไขของท่านไปได้แล้วเป็นสุขะโตแล้วสเสด็จไปดีแล้วพวกเรายังเป็นทุกขะโตอยู่อยู่ก็ทุกไปก็ทุกนั่งก็ทุกนอนก็ทุกจมอยู่ในกองทุกจมอยู่ในกองกิเลสตัณหามานะทิฏฐิแต่ก็ถือว่าตัวดีตัวเด่นธาตุเราไม่แก้ไขไในแนียสอน จิตใจของตัวแล้วไม่มีทางนะพระพุทธเจ้าจะมานั่งบาตัดธรรมะใส่หูอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่เข้าถึงใจให้ถ้าเราไม่คิดโดยตัวของเราเองว่าเราผิดเราถูกเราดีเราชั่วยอย่างไรเราจะยอมเกิดยอมตายอยู่นี่หรือหรือจะหนีไปในสถานที่ปลอดภัยที่พระพุทธเจ้ากล่าวาไว้แ่บ นัตสันติพลังสุขขังความสุขสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบจากเกิดจากตายจากชีวิตตัญหามานะทิฐิิเป็นความสุขความประเสริฐแต่พวกเราท่านไม่เห็นอย่างนั้นจิตใจมันจึงป่วนปันจึงเกิดทุกข์เกิดโทษเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้มันน่าสลดสังเวชยิ่งนักบวช ไม่มีภาลหนาที่อะไรตั้งใจมาบวชเสวรากิเลสตัณหาของตัวก็ควรอย่างยิ่งที่จะจะทาบาเพ็ญให้เป็นตัวอย่างของผู้ต่องการบุญถวกไปถ้าเราไม่มีบุญเราไม่มีความสุขเราไม่มีความเยือกเย็นเราไม่เห็นไม่รู้จะไปสอนคนอื่นเขาจะไปแนะคนอื่นเขาเรายังโจมอยู่ ในเปลือกตมที่ลึกเราจะไม่ช่วยคนอื่นเขาอย่างไรได้เราจะต้องสอนใจของเราโอกาสเวลานาที่คือมาปฏิบัติชำระใจาบายาจจิตของตัวสี่ขวดเสียให้หมดไปไม่ได้เอากิเลสเป็นาศาสดาถือพระพุทธเจ้าเป็นาศาสดาบวชกว่าพุทธทางธรรมสระนงาาังฉะฉานิไม่ได้ว่ากิเลสตัณหาตาสีตาสาสระนังฉะฉามิ เราเป็นอย่างไรทุกวันนี้ในพิจารณาหรือไม่หรือจะทำไปตามความชอบใจของตัวความชอบใจของตัวนั้นมันดีมันชั่วขนาดไหนในตัวตาพิจารณาไหม น, นักบวชจะต้องไข ค, คิดติดตามเกืดแก่ไขไม่อย่างนั้นก็จะมาเหยียบย่ำทำลายศาสนาพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ดีวิเศษพระสงฆ์ท่านหมดกิเลสตัณหาเป็นนาบุญของโลก เราจะมาเป็นกาฝากเยียบยาทำลายมันเข่าท่าห ร, หรือมาบวชเอาบาปเอากรรมสร้างนรกเอาเวจีหรือมาบวชเพื่อสร้างจิตสร้างใจเพื่อไปสวรรค์นิพพานต้องคิดต้องอ่านมาอย่างนั้นจะชั่วจะเสียเรือ่อยไป้ากาันพินิตพิจนากำหนดรักษาทำดีความชั่วติดตัวมาเราเองเป็นคนทำขึ้นไม่ใช่คนอื่น เราไม่เลื่อมใสศรัทธานในตัวของเราเราตำหนิตัวข้องเราได้ผู้รู้ทั่วไปท่านก็ตำหนิเหมือนกันถ้าเราดีเราสะอาดไม่ต้องไปบนบานอ่อนวอนคนมากาาราบไหว้เลื่อมใสเขาก็กาาราบไหว้เลื่อมใสพระพุทธเจ้าท่านทาเป็นตัวอย่างมาแล้วเราจงลงมือประพฤติปฏิบัติกําจัดเหลื่อมชี้เลี่ยตัญหามานะัทิฏฐิออกไปใจที่เคย มืดมนอนทะการใจที่เคยวุ่นวายว่าเวต่างๆจะสว่างสวัยจะสงบสบายนี่คือการปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้เป็นวันวิสาขคุณนมีเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตรตัสรุและปรินิพพานพวกเราท่านทีนับถือพระพุทธศาสนาจึงพร้อมกันมา ทำสักการะด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจประพฤติตนให้สมควรจะอาจจะทำจึงจะได้ชื่อว่าผู้เคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเราโชคดีไม่ป่วยไข้ไม่ตายไปได้มีโอกาสเวลามาทำวิสาขาบูชา จึงควรปีติเต่มใจแล้วทำจิตทาใจของตัวให้เหลื่อมใสปราศจากกิเลสตัณหาภายในให้จิตใจเยือกเย็นเห็นธรรมะนี่คือการมาทำรีสาขาบูชาเพื่อชำระกิเลสที่ยังมีอยู่ในจิตในใจให้ลดน้อยถอยไปหรือให้หมดสิ้นไปเียงแต่เข้าวัดเข้าว่า แต่ไม่ได้พินิษพิจารณาเนี่ยสอนตัวมันไม่เกิดสาระประโยชน์ให้เพราะต่างท่านต่างคนมานั่งอยู่นี้มันก็แก่ไปแก่ไปมันจะแก่เขาเ่าเตาไฟหรือแกแก่เขา้าหลุมฝังก็ไม่รู้เมื่อกี้วันกี่เดือนกี่ปีทางหนา้าแล้วก็จะตายไปเท่านะอะไรที่เราเกิดมาได้เป็นสาระแฝนสารในตัวของเราเรียบเลียงควนควายสะสมบุญกุศล ให้มีในตนของตนคนที่มีบุญมีกุศลอยู่ในจิตในใจไปแต่ฐานที่ใดจะไม่อับจนแต่นั้นขอทุกคนจงนำธรรมะเสียที่บายไปนี้ไปใส่คิตพิจารณาเมื่อเห็นว่าเป็นธรรมที่ถูกต้องควรประพฤติปฏิบัติประลงมือประพฤติปฏิบัติถ้าเห็นว่าผิดเป็นผิดเป็นไทย แก่กายแก่ใจแก่อาจแก่ธรรมก็โยนทิ้งเพราะเรื่องผูกพูดก็ไม่ได้รับรองทุกสิ่งทุกอย่างไปว่าถูกร0อยเปอร์เซนไม่มีการผิดมันผิดได้เหมือนกันการเทศก็คือเทศสอนตัวเองสอนคนอื่นไปพร้อมพร้อมกันใครเห็นว่าอาจทำที่พูดไปเป็นสาระประโยชน์แล้วหัวนำไปไม่ได้เธวน ฤขสิทธิ์เอาไว้นำไปประพฤติปฏิบัติกายใจของตัวเพื่อความสุขความเจริญเก่าหนาการอธิบายธรรมะเขียนว่าพอสมควรเจียเวลาพ อ, อยู่จีเพียงแค่นี้เอวัง